วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาพบกับคณะลูกหลานที่จะทำหน้าที่เป็นสถาปนิกของชาติบ้านเมืองต่อไปวันนี้ท่านนายกสภาสถาปนิกและคณะมีท่าน นายกสภาเป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามันสภาสถาปนิกและการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมกันในวันนี้ที่ที่หลวงพ่อทราบที่ท่านนายกได้พูดจบลงสักครูน่นี้บอกว่าลูกหลานที่มารับการอบรมในวันนี้ที่จะมารับ ไปประกอบอาชีพสถาปานิก772คนนับว่ามากทีเดียวคือสถาปานิกถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้จินตนาการที่จะให้โลกเป็นไปด้วยความสวยงามขึ้นมาได้ต้องอาศัยศิลปะ หรือว่าสถาปนิกของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นในยนุคนี้สมัยนี้เป็นยุคโลกาพิวัติอย่างที่ท่านนายกได้พูดจบลงสักครู่นี้เพราะฉะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายที่มารับการอบรมหรือว่าจะเป็นสถาปนิกถาวอหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกๆคนให้เป็น ผู้มีคุณภาพหรือมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมการจะทำงานสิ่งใดก็าตามให้และลึกถึงชาติบ้านเมืองของตนเองแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นแต่พักแต่พวกเห็นแก่ตัวเองแล้วไม่เห็นแก่ไทยแล้วชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเราอยู่ณสถานที่ใดถินด่นใดก็ให้รับเคารพจงรักภักดีต่อสถาบันของตนเองนั่นละ จึงจะเป็นคนหรือวคนในชาติจะมีคุณภาพคุณธรรมได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดก็ตามอยู่ในสถาบันใดเข้าไปทำงานแล้วมีแต่เอารัดเอาเปรียบไม่จงรักภักดีต่อสถาบันของตอนเองสถาบันนั้นก็จะมั่นคงถาวอขึ้นไปได้ยากเพราะเหตุใดเพราะว่าคนในสถาบันนั้นไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรม ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกๆคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพวกเราก็คงจะประกอบวิชาชีพอสถาปนิกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอันดับแรกในหลักของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อเองอยากจะฝากไว้กับลูกหลานทุกๆคนในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าท่งหัวหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งจะพัฒนาจะทำออกแบบลูกแบบใดก็ตามต้องดูคนซะก่อนคนให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมจะพัฒนาประเทศชาติไปจึงจะไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามได้แต่ถ้าหากว่าคนในชาติไรคุณธรรม ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมจะพัฒนาประเทศชาติให้หรูหราโอ้อาขนาดไหนคนในชาตินั่นแลจะเป็นผู้ทำลายเป็นผู้สังหารวัตถุเหล่านั้นให้ย่อยยับลงไปแต่ถ้าหากว่าพวกคนในชาติของเรามีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วอย่างที่ในหลวงท่า น, นตรัสไว้ว่าเศรษ ฐ, ฐกิจพอเพียง คือจากเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าคนมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับให้คนงอมืองอเท้าไม่รู้จักทําการทํางานแต่ตามไม่จริงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักหาคือหมั่นขยันคนที่หมั่นขยันหาทรัพย์ก็ย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าคนขี้เกียจจะหาทรัพย์ไม่ได้ถ้าคนขยันแล้วย่อมหาทรัพย์ได้การหมั่นขยันนั้นไม่มีความ ขีคดความจำกัดว่าควรจะขยันเท่านั้นควรจะขยันเท่านี้ถ้าใครขยันได้มากก็หาทรัพย์ได้มากแต่อย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นเขาอย่าไปลังแกคนอื่นเขาอย่าไปโคดกงผู้อื่นของเขาพ่อเขาลังแกรลว้วบอกเขามาโคดกงเราเราก็เสียใจถ้าเราไปโคดกงเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเ<แล>พราะฉนั้นการที่สอะแสวะหาทรัพย์ด้วยความสุดจริตด้วยความเป็นธรรมนั่นแหละ ถึงจะบันขยันได้ทรัพย์หมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามถ้าไปเบียดบางของคนอื่นถึงจะบาทหนึ่งสองสาบาท50สตางค์อะไรก็ตามถ้าไปเบียดบางของคนอื่นคนนั้นจะว่าจัดว่าเป็นความโลภแต่ถ้าว่าผู้ใดหกักโอแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นความขยันผู้นั้นจะเป็นผู้จะจัดว่าเป็นผู้มีความสามารถ เพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คืออยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านให้รู้จักหาเมื่อหามาได้แล้วรู้จักเก็บเมื่อเก็บมาแล้วให้รู้จักใช้ใช้ให้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าไปใช้สู้รุ่ยสุ้ลายถ้าใช้ใช้เกินตัวก็คนนั้นก็จะลำบากเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่รู้จักประมาณในการใช้ใเพราะนั้น เรื่องธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ทำำทาท่านสอนไว้เป็นหลักให้พวกเราปฏิบัติมีมากมายทีเดียวอย่างอุทานสัมปทาถึงพร้อมในความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติที่แสวงหามาด้วยความยากลําบากให้รักษาเอาไว้รักษาหน้าที่ตําแหน่งเอาไว้รักษาวิชาชีพของเราเอาไว้ เราเรียนหนังสือเรียนสถาปนิกมากี่ปีกว่าจะถึงปริญาตรีโทเอกกี่ปีเมื่อเราได้เป็นปริญาตรีโทเอกแล้วเราก็รักษาไว้ถ้าเราไม่รักษาไว้จะทําทให้หน้าที่การงานหรือตําแหน่งของเราหลุดไปได้ไง่ายๆเหมือนกันอันนี้ว่าอารักษาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาการรัญญาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนชั่วยจะไปคบคนเลว ถ้าคนนี้ดูแล้วเพื่อนของเราคนนี้ น, นิสัยไม่ดีชอบเกเรชอบขายยาบ้ายาม้าอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เราไปคบเข้าไปก็ทําให้เราเสียหายได้เพราะฉะนั้นเพระว่าให้คบคนดีเอกรยาณมิตรต า, ตาสัมมาชีวิตเรเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปโดไปพ่นไปจี้เขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นลูกหลานทุกๆคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า ให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมประจําใจไปอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักเรื่องศีลห้าอย่างเมื่อเช้านี้หลวงพ่อก่อนฉันหลวงพ่อก็ได้อธิบายเรื่องศีลห้าให้แก่คณะนัสทายาตโยมได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลห้าถ้าพวกเราได้ยินแล้วพวกเราก็คงจะว่ายยี้อ่ะพวกไดโนเสาร์ เต่าล้านปีทำไมจึงนับถือทำไมจึงนับถือเรื่องศีลห้าแต่ตามไม่จริงเรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าว่าพวกเราขาดศีลห้าเรื่องเรื่องขาดสินธรรมบ้านเมืองจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกไว้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วว่าวิชาจารณะสัมปันโน วิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติไปด้วยกันอันนี้พระพุทธเจ้าบอกมาแล้วแต่ทุกวันนี้เขาฟังเขาประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาว่า iq คิคนที่มีความรู้อ q ิแปลว่าเป็นผู้รับผิด ช, ชอบแต่าตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเป็นมาแล้วว่าวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติถ้าหาว่าอันใดอันหนึ่งขาดลงไปคนนั้นแปลว่าไม่สมบูรณ์แบบมีแต่ความรู้อย่างเดียว ใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดอย่างพวกเราลูกหลานเป็นสถาปนิกออกแบบขึ้นมาแล้วราคาเพียงเท่านี้ราคาอย่างนี้แต่พวกเราออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องออกไปในทางที่ผิดหรือวิศวกรรมวิศวกรก็ตามการกระทาสิ่งใดก็ตามออกไปนอกดูนอกทางนักกฎหมายบ้านเมืองก็ตามการพูดมีเลี่ยมย ม, มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม แต่ความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมนั้นไม่ต้องถามใครอื่นต้องถามพวกเราเองผู้ออกแบบหรือว่าพกูกพวกคำนวณหรือว่าผู้ดูแลกฎหมายไม่ต้องถามใครอื่นตัวเองนั่นแหะเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดแต่ถ้าว่าตัวเองรู้แก่ใจแล้วอ่ะตัวเองก็ทําผิดหรือว่าทํำไม่ถูกต้องมีเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องที่จะออกแบบนั้นนั้นที่ว่าไม่ให้มันไปตามที่หลักวิชาการอย่างนี้ อันนี้แปลว่าไม่ซื่อตรงต่อหลักวิชาชีพของตนเองเออไม่มีจรณะแปลว่าความประพฤติ ท, ที่ถูกต้องในจุดนั้นขาดจรณะคือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวิชาชีพใดก็าตามอยากจะให้ลูกหลานที่เป็นจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นสถาปนิกต่อไปภายภาคหน้าให้สําเหนียกว่าอยู่เสมอว่าเราเป็นคนในชาติเราต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศีลและธรรม ต้องมีประจำอยู่ในตัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อจะกล่าวนั่นก็คือศินห้าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีแต่พวกเราได้ยินแล้วพวกเราคงจะคิดว่าทําไมหนึ่งจะเอาศินห้ามาพูดตามไม่จริงก็รู้อยู่แล้วว่าสินห้านั่นคืออะไรแต่ตามไม่จริงพวกเรารู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติศินห้านั่นก็คือปาณาติปาตาเวรมณีห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ใครเป็นสัตว์ หมูหมากาไก่เป็นยุงเป็นลิ้นใช่ไหมเป็นสัตว์ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่สัตตะไปว่าผู้คล่องอยู่ในภพในชาติตั้งแต่พรมเทวดามนุษย์สัตว์ที่ไรฉานทุกประเภทสัตว์นรกเปตทุกอย่างที่เราวองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออันนั้นแปลว่าสัตว์ทั้งหมดสัตตะไปว่าผู้คล่องอยู่ในภพในชาติยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดด้วยว่าสัตว์เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดรปลว่าสัตตะยังค้องอยู่เพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายนี่ยอยู่ในเครือข่ายได้ว่าสัตว์เหมือนกันสัตว์ตไปว่ายังผูกผู้คล้องอยู่ในภพในชาติยังไปพนิพาญยังไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์การฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่ว่าอะรหัวเราะได้หรือฟังได้ไม่มีอะไรแต่เขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าหลานของเราฆ่าวงศ์สานาญาต์ของเราเราหัวเราะออกไหม Oh, เราไม่ออกเพราะเหตุไรเราต้องเสียใจเพราะว่าเขามาทําร้ายวงศาข้าหน่ญญายของเราทําร้ายประเทศชาติของเราเรารับไม่ได้เนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีสําหรับคนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันถ้าหาว่าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนกันดีไหมอันนี้ก็คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานอย่าไปขโมยของคนอื่นเขา ของเราเราก็รักสงวนห่วงเห็นแต่ถ้าว่าคนอื่นเขาหลักเขาก็รักสงวนห่วงแหนเช่นเดียวกันเพราะเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขาโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบรรัญญัติสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมจุมิจฉาจาราเวรมณีโลกเต้าเล้าหลานสามีพัญญาวงสาคนาญาติของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าถ้าเราไปล่วงล้ำเขาละ่ะเขาเสียใจไหม เขาก็ต้องเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราเสียใจไหมเราก็ต้องต้องเสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาทําให้เขาเสียใจเขามาล่วงละเมิดเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สอย่าไปล่วงละเมิดเขานะัเขาเสียใจอจึง ว, ว่ากาเมสุวิชชาจาราเวรมณีข้อที่สี่มุสา ถ้าไม่ให้พูดโกหกพูดปดถ้าว่าคนพูดชอบพูดโกหกพูดปดไม่เป็นที่น่าไว้ใจไม่น่าไว้วางใจคนที่พูดโกหกเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาลูกหลานฟังคําหลวงพ่อเอาไว้นะเพราะพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าถ้าเพื่อนผู้ใดก็ตามคบกับใครก็ตามจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ในวงการไหนประเทศไหนชาติไหนก็ตามถ้าเราสังเกตดูว่า เขาชอบพูดโ ก, กก โ, กกโกหกทั้งที่รู้รู้แต่ก็ชอบโกหกโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือหลักพระธรรมคาสั่งสอนพระพุทธเจ้าตัดไว้ 2,000 กว่าปีให้ลูกหลานสังเกตเพราะลูกหลานจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มี อันนี้คือเป็นพุธทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วสองพันกว่าปีเพราะฉนั้นลูกหลานให้สังเกตนะเพราะลูกหลานจะต้องดูในวงการต่างๆต่อไปภายภาคหน้าและข้อสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมชัปประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุรานั้นเป็นเงินของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเรากินเข้าปากเราเราดื่มเองไม่เห็นขิดที่ตรงไหน แต่ตามไม่จริงเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเมื่อขาดจติแล้วทาความชั่วได้หลายๆอย่างอย่างทุกวันนี้วันสงกรานต์ก็ดีวันปีใหม่ก็ดีที่เขาทางรัฐบาลเสียเงินเสียทองเข้าไปดักคนไม่ให้คนกินเหล้าขับรถเนะ่ยเสียเงินงบประมาณปีละเท่าไหร่ลูกหลานว่าแล้วก็ทรัพยากรของชาติแต่ละครั้งที่ตายไปกับการดื่มสุรานั้นเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ขอให้ลูกหลาน สำนึกสำเนียกไว้ในใจว่าการดื่มสุรานั้นเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไงอันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เข้าว่าห้ามเด็ดขาดนั่นก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ให้ลูกหลานทั้งหลายให้สังเกตให้สังเกตตัวเองถ้าว่าตัวเองทําอย่างนั้นไปแล้วทําให้เสียตัวเองใครไม่มีใครรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเราเองถ้าว่าเราขาดความรับผิดชอบของเราแล้วต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรเพราะ เราขาดสติในการเป็นอยู่คนที่ขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วได้ลหลายๆลอย่างฆ่าสัตว์ก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างพวกเราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์คนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วทําความชั่วได้ลหลายๆลอย่างไม่น่าทําได้ก็ทําทได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาขาดสติเพราะนั้นเรื่องสุราเนี่ยทาให้คนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสามารถที่จะทาความชั่ว ข่าพ่อข่าแม่ข่าพี่ข้าน้องข่าลูกข้าเมียดได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสุราให้ระมัดระวังอทินนาทานถ้าว่าเกิดคนดื่มสุราแล้วก็สามารถที่จะขโมยของคนอื่นได้คนดื่มสุรา อ, อไม่มีอย่างอายแล้วก็สามารถที่จะละหลับละล่วงพูดเ อ, อแก่ไครๆข้อได้อ น, นี้ผิดสินข้อที่สมได้ง่ายข้อที่สี่คนที่ดื่มสุราชอบโกหกได้ง่าย เพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวมาให้ลูกหลานสังเกตให้ลูกหลานได้พิจนารณาดูจริงไหมที่หลวงพ่อพูดและเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเรื่องศินเรื่องศินห้าสรุปแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุทกๆคนลูกหลานทุทกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องรักษาสินให้สําเนกไว้อยู่เสมอข้าพเจ้าเมื่อรู้แล้วว่าสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ข้าพเจ้าคนหนึ่ง รู้เห็นด้วยกับที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ข้าพ เ, เจ้าจะรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หจะไม่ล่วงละเมิดถึงจะได้เป็นวันสําคัญอย่างเดียววันเกิดของเราอย่างนี้เป็นตน้นแล้ววันเกิดวันของพ่อของแม่ของเราเป็นตน้นหรือว่าเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นวันในพระพุทธศาสนาวันมาฆวิสาขาบูชาอย่างนี้เป็นตน้น เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกๆคนนะเรื่องศีลธรรมอย่ามองข้ามว่าเป็นของใครอื่นให้เป็นให้ถือว่าเป็นของพวกเราเองถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อโลกเราควรจะมีศีลธรรมมีศีลห้านี่แหละนี่แหละศีลห้านี่แ ล, น 5, นแลเป็นเครื่องประกันสังคมจะจะให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ว่าจะให้ได้ทุกคน อย่างนั้นใช่ไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงถึงใครจะไม่ได้แต่ข้าพเจ้าคนหนึ่งตัวของข้าพเจ้าเองนี่แหละคนหนึ่งจะเป็นผู้มีศีลธรรมจะเป็นผู้มีศีลห้าเพราะข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังวันนี้เป็นที่เข้าใจแล้วว่าศีลห้านั้นเพื่อใคร เพราะฉะนั้นเพื่อเราทุกๆท่านเพื่อลูกหลานทุกๆคนให้มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อเรามีศีลธรรมแล้วเราจะไปหน้าถิ่นใดที่ใดก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใหญ่ที่เป็นนายจ้างของพวกเราถ้าเราทํางานรัฐบาลเราก็เป็นคนดีในรัฐบาลจงรักภักดีต่อสถาบันของรัฐบาลเพราะเรามีศีลธรรมเมื่อเราไปทํางานกับสถาปัตที่ไหนออกแบบที่ไหนเขาก็ยอมรับ ว่าเราเป็นคนดีไม่เกเลไม่ดื่มสุราอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อว่าเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมมีความจําเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราที่เป็นลูกหลานของชาติชาตชาติไทยของเราเพราะนั้นคนในชาติไทยของเราก็มอบความไว้วางใจกับลูกกับหลานที่มา ที่จะเติเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าปี 2,550 นี้ยังคงจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันมังอันนี้เพียงแต่ว่าผู้ที่ประกอบออวิชาชีพตนเองเรคะนั้นถ้าว่าพวกเราทุกๆคนทั้ง772คนเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้มีหัวเป็นผู้แสดงความสามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราในกลุ่มหนึ่งหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองก็คงจะ สวยงามขึ้นมาเป็นลําดับลําดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วคนในชาติไม่ว่าวิชาแขนงไหนที่พวกเราได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งเป็นเกษตรศาสตร์กฎหมายสถาปนิกวิศวะแพทย์หลายๆลแขนงแพทย์เกษตรก็เหมือนกันหลายหแขนงวิศวกรหลายหลายแขนงสถาปนิกหลายหลายแขนง แต่ทุกขแขนงมีความจําเป็นและสําคัญด้วยกันทางนั้นเราจะไปมองข้าวว่าขแขนงนี้ไม่จําเป็นขแขนงนี้ไม่สําคัญทุกขแขนงมีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแต่ข้อสําคัญก็คือความสําคัญอันดับแรกก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องสําคัญกว่าพวกเราสําคัญกว่าวิ ช, ชาชีพแต่ถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ดีวิ ช, ชาชีพก็คลอนแคลนเหมือนกัน จะหาเป็นฝึกแผ่นไม่ได้แต่ถ้าว่าคนในชาติเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมแล้ววิชาชีพทุกวิชาชีพมีความจำเป็นอย่างคนหนึ่งอา้าวเป็นเกษตรหาอยู่หากินเรื่องอาหารเอาองอาหารมาเลี้ยงหมูเพื่อนอฟิศวกกรพวกหนึ่งออกแบบถนนทำให้ถนนรถได้วิ่งถนนสนามบินได้วิ่งพวกสถาปนิกออกแบบเพื่อความสวยงาม ในการก่อสร้างนั้นๆให้ถูกตัดตามหลักสถาปัตยกรรมอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือทุกวิชาอาชีพมีความจําเป็นมีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยการทำงา น, นเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับหลักวิชาให้ลูกหลานมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมพร้อมกันก็ให้ตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่การงานให้เป็นคนดีของชาติ และก็พร้อมกันนะหลวงพ่อขอฝากไว้กับลูกหลานทุกๆคนลูกหลานทุกๆคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าคำว่าเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาพวกลูกหลานคงจะว่าเอพระสงฆ์ทำไมท่านอยู่ในป่าว่าบางแหง่งบางหนสื่อต่างๆหลวงพ่อ เ, เคยได้ยินสื่อต่างๆเขาก็บอพระสงฆ์ทำตัวไม่ดีอย่างนั้นทำตัวไม่ดีอย่างนีนะ้พวกลูกหลานได้ยินก็ ละแวงแคลงใจว่าทำไมพระสงฆ์อยู่ในวัดวาศาสนาน่าจะเป็นพระที่ดีเป็นหน้าที่น่ากราบไหว้สักการบูชาทําไมพระสงฆ์จึงทําตัวไม่ดีอย่างนั้นอันนี้ขอฝากไว้กับลูกหลานทัุกทุกคนด้วยหลวงพ่อขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยว่าเพราะว่าสถาปนิกเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของชาติบ้านเมืองเพราะนั้นหลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุท่านบอกมีทุกวงการ เพราะพุทธศาสนาพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าผู้ที่บัติดีปฏิบัติชอบก็มีผู้ที่ทําตัวไม่ดีก็มีมีอยู่ทุกองค์การแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าอยากจะให้เป็นธรรมแล้วหลวงพ่อว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบบับพระสงฆ์ทําตนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ให้พวกเราสืบสอบดูว่าเอ๊ะพระสองฆ์องค์ที่ท่านทําตัวไม่ดีนะั่นอะประวัติเก่าแก่ของท่านเป็นยังไง ก่อนที่ท่านจะมาบวชท่า น, นท่านเป็นคนอย่างไรท่านเป็นคนดีมาก่อนใช่ไหมการศึกษาของเขาดีใช่ไหมมารยาทของสกุลของเขาดีใช่ไหมและเมื่อเขามาบวชแล้วทำให้เสียหายทำตนไม่ดีอันนั้นควรจะปั้นามพระพุทธศาสนาเอาคนดีๆเข้ามาบวชแล้วเสียหายทำให้คนเสียหายคนทำให้คนเสียเพราะว่าเอาคนดีๆแล้วเขามาบวชแล้วเสีย แต่ถ้าหาว่าคนคนนั้นก่อนที่จะเข้ามาบวชนั้นเหลือขอพ่อแม่เอาไมา่อยู่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติเอาไม่อยู่แล้วตัดถางปล่อยวัดพอตัดถางเข้ามาปล่อยวัดแล้วเข้ามาในวัดว า, าศาสนาและทําตนไม่ดีแล้วพวกเราประนามพระพุทธศาสนาพวกเราว่าเป็นธรรมใหม่อันนี้ก็ขอฝากไว้กับสมาคมทุกสมาคมของชาติปันเหมืองให้ได้คิดหลวงพ่อไม่ได้พูดปกป้องตนเอง นั่นเป็นการให้ความคิดเห็นต่อชุมชนและสังคมว่าการประนามอย่างนั้นการพูดอย่างนั้นเป็นธรรมใหม่ตามไม่จริงความเป็นธรรมนั้นพวกเราควรจะปกป้องด้วยกันว่าเออใครก็ตามถ้าหากว่าลูกหลานผู้ใดก็ตามเหลือขอเอาไม่อยู่ติดยาเสพติดทั้งหลายไม่ควรจะเอาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะเอาเข้ามาบวชแล้วเสียหายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เหตนนี้แหละ สืบสอบดูแล้วเป็นยังไงคนที่เขามาบวชนั้นทําตนไม่ดีทําให้เสียหายเพราะฉนั้นลูกหลานทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกๆกท่านเมื่อได้ยินคําหลวงพ่อคําที่แล้วก็ขอให้คิดไตรตรองดูหลงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอน่อนพระพระในเจ้าท่านตกรท่านเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงกบิลพัท อายุ29่สเก้าปีท่านครองราดตั้งแต่น้อยหนุ่มเมื่ออายุ29่สเก้าปีพระองค์ก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราลูกหลานสงสัยอย่างเดียวนี้แหละเอมนุษย์ของเราเนี่ยตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ น, นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เป็นอย่างไงพระศิทธาท่านกคงคิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเทีนี้ท่านก็เห็นคนแก่โอ้คนแก่เกิดมาแล้วแก่หาความสุขไม่ได้คนแก่ต่อมาเห็นคนเจ็บ เออคนเก็บในี่ยทำยังไงต่อมาเห็นคนตายโอ้คนทุกคนเนี่ยต้องตายแนย่ตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญนาเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านคอยอยู่ในเวียงในวังค้นคิดอยู่ในสิ่งเหล่านี้จากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกไปบวชเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนีไปอยู่ในป่าไปบอมเพนอยู่ในป่าถึง6ปีเจว่าไปค้นคว้า ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เรไปค้นคว้าในหลักหลักการว่าเป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญอันไหนสูญอันไหนเกิดอันที่พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าอยู่ในป่าถึงหปีวันเดือนหกเพนพระพุทธ อ, องค์ค้นคว้าพบหลักหลักสูตรเรียกว่าหลักการคือหลักการนั้นพุทธองค์นั่งสมาธินั่งสมาธิผันหน้าไปทางทิศตะวันออกผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรง ยกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้ลูกหลานฟังเอาไว้นะอันนี้เลยคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยท่านทำอย่างนี้จากนั้นท่านก็ดูนั่งดูดูด ดูลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้จิตใจส่งไปออกข้างนอกความรู้สึกต่างๆไม่ให้ส่งออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อจิตดูที่ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตไม่วอกแวกจิตไม่กระสับกระส่ายจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งแล้วพระพุทธองค์ก่อนน้อมจิตที่สงบนั้นไปในอดีต คือเมื่อวานไม่มีไหมวันก่อนมีไหมชาติก่อนมีไหมชาติคนก่อนนั้นมีใหมเพราะพรุทธองค์มองเห็นว่ามีวันพวกนี้มีไหมวันพวกนี้ก็ต้องมีเพราะวันนี้มีวันเมื่อเลอนปีหน้ามีไหมมีเพราะนั้นพระองค์ตรัสว่าปุเพในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้คนเราเกิดมาแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องเกิดอีกชาติหน้ามีจริง เพราะนั้นนั่นคือหลักพิสูจน์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นท่านผู้ใดก็ตามอยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูนั้นให้พิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์คือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งนั่งสมาธิเท่านั้นจึงจะเป็นการพิสูจน์ที่ถูกต้องที่แท้จริงในเพราะฉนั้นลูกหลานผู้ทุกคนนะอันนี้หลวงพ่อก็ฝากไว้แนวความคิดอันหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ว่าตายแล้วสูด้วยตายแล้วเกิดเพราะคนในยุคสมัยก่อนหน้านี้เขาก็สงสัยอย่าง พวกเราท่านทั้งหลายสงสัยในยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านไม่สงสัยคิดเฉยๆแล้วก็ท่านไม่ได้ปล่อยวางท่านนั่งสมาธิกําหนดจิตเมื่อกําหนดจิตแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองว่าในร่างกายของเราคนเราเนี่ยมีอยู่สองอยู่ในเนี้ยอยู่ในพวกเราทุกคนมีรูปธรรมกับ น, นามธรรมรูปธรรมคือร่างกายรูปร่างกายตัวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยแหละเนอะรูปธรรม ส่วนนามธรรมนั้นคือจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดอันนั้นแหละคือนามธรรมแต่ น, นามธรรมนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่พวกเรามีความรู้สึกอยู่ในใจว่าข้าพเจ้ามีใจข้าพเจ้ามีความรู้สึกข้าพเจ้ามีความอยากข้าพเจ้ามีความโกรธโมโหโทโสตัวนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านให้ความสําคัญอย่างมากแต่รูปร่างกลางตัวนั้นเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างนั้น แต่ส่วนด้านจิตใจนั้นสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคนดีให้เป็นคนเลวเให้เป็นคนมีสติปัญญาได้ปรับปรุงแก้ไขได้นา ม, มาทำตัวนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษ า, าให้สังเกตแะให้ดูตัวผู้รู้คือนา ม, มาทำตัวนั้นอ่ะเเป็นสําคัญกว่าส่วนร่างกายเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกร่างกายตายไปก็จิตใจดวงนั้นไม่ตาย ไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหม่อีกเหตพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกๆคนนะเฮ้พวกเราถึงจะมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินพวกเราก็จะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นานเพราะเราเกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> เขาเตรียมวีซ่ารอาพวกเราอยู่นะไอ้พวกลูกหลานคิดไว้อย่างนั้นก็นแล้วกันเฮ้ยเขาเขียนวีซ่าให้เราแล้วอีกวันหนึ่งวันดีคือดีเฮ้ยเขาก็จะส่งวีซ่ามาให้พวกเรา พวกเราก็จะได้รับวีซ่านะก็บินไปต่างประเทศแล้วไม่มีวันกลับมาอีกออมากโตมากแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ณสถานที่ใดก็าตามให้ตั้งตนเป็นคนดีเ อ, อชีวิตของพวกเราไม่ยืนยาวเไม่ถึงร้อยปีจะต้องบินไปต่างประเทศเพราะเขาเขียนวีซ่าให้แล้วตั้งแต่วันเราเกิดมาอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้รับวีซา่าเพราะฉะนั้นขณะที่ทําหน้าที่การงานอยู่ในโลก หน้าที่ใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานเป็นสถาปนิกทําตนให้เป็นคนดีอย่าไปเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าว่าพวกลูกหลานเป็นคนดีแล้วทําตนให้เป็นคนดีแล้วสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วลูกหลานบินไปต่างประเทศลูกหลานก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจ่นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้เป็นแนวความคิดให้แก่ลูกหลานได้ศึกษาได้ฟัง สรุปแล้วก็คืออยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีที่ได้จบสถาปนิกมาแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชาติเพราะว่าพวกเราได้ศึกษามาลงล่โลงเรียนในสถานที่ต่างๆเป็นส่วนราชการเป็นเงินภาษีที่น้องประชาชนที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ว่าจ้างครูบาอาจารย์สอนนักศึกษา การลวนแล้วจะเป็นคนของชาติให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือจนลูกหลานได้รับความรู้ความฉลาดมาถึงจุดนี้ก็คนในชาติก็นสนับสนุนเพราะฉะนั้นพวกเราออกมาทํางานให้ชาติข็ให้จงรักภักดีให้ซื่อสัตย์สุจริตอย่าเป็นผู้ทรยศต่อชาตินะหลวงพ่อเขาฝากไว้กับลูกหลานคํำนี้เขาว่าทรยศต่อชาติเขาคิดว่าเป็นคําที่หนักหนาแต่ตามไม่จริงท่างว่าเราเป็นผู้จงรักภักดีเป็นเราเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริต ต่อชาติผู้นั้นไปว่าเป็นคนดีของชาติแต่ถ้าผู้ใดก็ตามทำตนไม่ดีเบียดเบียนชาติหลวงพ่อว่าเป็นลักษณะที่ว่าทรยศนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทรยศมากหรือทรยศน้อยอันนั้นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้เป็นผู้จงรักภักดีเคารพในวิชาชีพตนเองตั้ง อ, อกตั้งใจทาหน้าที่การงานจากนั้นก็ไม่ให้มีศีล อย่างที่หลวงพ่อให้ข้อคิดข้อสำเนียเถึงศินห้าที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนั้นศินห้าประการอย่างที่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาในเมื่อทําให้คนอื่นเขาเขาเสียใจเมื่อเขาทําให้แก่เราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าศินห้ามีคุณค่าอย่างไรพวกเราก็ควรจะรักษาศินไม่รักษาสินก็ได้แต่อย่าไปทํา อย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำแต่สิ่งที่มันถูกต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละอันนี้แหละคือเรื่องศีลธรรมมีจริยธรรมเพราะนั้นลูกหลานไม่ต้องจําจําอะไรมากๆากนะจำมากมันหนักนะเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนคนอื่นก็อย่าทําให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนนะเพียงเท่านี้แหละศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจแล้ว แล้วก็ข้อสุดท้ายที่หลวงพ่อให้ข้อสำนึกในข้อคิดก็คือว่าคนเราตายแล้วไม่สูญเพราะพระเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วในสมัยสองพันกว่าปีพิสูจน์อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้พิสูจน์อย่างที่พพระสิทธิธรรมพระเจ้าของเราพิสูจน์เป็นตัวอย่างนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดแก่ลูกแก่หลานที่มาประชุมในวันนี้ หลวงพอ่อนับว่าไม่เคยที่จะมาขึ้นสมมาคมใหญ่อย่างนี้มาก่อนนะวันนี้เป็นวันแรกที่หลวงพอ่อได้ขึ้นมาพูดธรรมะแนวปฏิบัติสำหรับให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาต่อไปการพูดการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี้